ปกติจิตเป็นสิ่งที่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสภาพทั้งหลายเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาตกในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนตตาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีเว้นแม่นิดแต่จิตนี้ธรรมชาติของจิตทแท้นั้นไม่ได้เป็นในอยู่ในกฎนี้เท่าที่จิตได้เป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนาตาก็เพราะสิ่งที่เป็นใจ ล, ลัก สิ่งที่หมุนเวียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตจึงเป็นเรื่องเหมือนกับหมุนเวียนไปตามเขาแต่หมุนเวียนไปด้วยธรรมชาติที่ว่าไม่แตกไม่สลายหมุนไปตามธรรมชาติของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอนาจพาให้หมุนไปแต่ที่เป็นอานาจของจิตดูโดยธรรมชาติแล้วคือไม่ตายความไม่ตายนี่แหละเป็นสิ่งที่เหนือ ความไม่แตกสลายไปนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เหนือแห่งกฎใตรักใจรักทั้งหลายแต่ที่เราไม่ทราบก็เพราะความสมมติธรรมชาติที่เป็นสมมุติเข้าไปเกาะเกี่ยวรุมล้อมจิตเสียจนหมดเลยกลายเป็นเรื่องเหล่านี้เสียที่เราไม่ทราบเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจิงคือไม่ใช่เป็นจิต จึงทำให้เรากลัวทำให้สะทกสะทานกลัวจะเป็นกลัวจะตายกลัวอะไรได้กลัวไปหมดแม้ทุกข์ก็เลยกลัวทุกน้อยทุกใหญ่ทุกอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรกระทบกระเทอนไม่ได้เลยมีแต่กลัวผลที่สุดในจิตเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวไปเสียทั้งสิ้นะทั้งทั้งที่ความหวาดความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตโดยตรง เราจะเห็นได้เวลาจิตที่ชำระให้เต็มที่จนไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะไม่ปรากฏเลยว่าจิตไม่กลัวกล้าก็ไม่ปรากฏกลัวก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยลําพังด้วยโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลาอากาศทีโกเท่านั้นนี่เป็นจิตแท้จิตแท้นี้เรียกว่าความเป็นความบริสุ์จิตดั้งเดิมนั่นหมายถึงดั้งเดิมแห่งวัตตะของจิตที่เคยหมุนมา มูญย์หลุนยนมาดังที่พระพธธุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักธรรมว่ารูปก่อนงพิษุทธทั้งหลายจิตเดิมแท้ของใสนะแต่อาศัยความคลาดคร้าของกิเลสหรือกิเลสจรมาจึงทําให้จิตเจ้าหมองกันว่ะจิตเดิมแท่นั้นหมายถึงเดิมแท้ของสมมุติตาา่างหากไม่ใช่หมายถึงเดิมแท้แห่งความบริสุทธิ์แล้วเวลาท่านแยกออกมาสำหรับพระพัฒนบิดังจิตตังนะพิกคอย ภระพัชราสมายถึงฟัดสอนได้แก่ความท่งใส่ไม่ได้หมายถึงเป็นความบริสุทธิ์นี่หลักเกณฑ์ของท่านพูดได้ถูกต้องดีหาที่แย้งไม่ได้เลยถ้าลงว่าจิตเดิมเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีที่ค้านกันเต็มที่ถ้าบริสุทธิ์แล้วมาเกิดทําไมนะท่านผู้ชำระจิตบริบริสุทธิ์แล้วท่าไม่เห็นเกิดถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วชาระกันทําไมมันมีที่แย้งกันที่ตรงนี้ชาระกันเพื่ออะไร ถ้าจิตผ่องใสก็ชำระเพราะความผ่องใสนั้นแลคือตัววิชาแท้ไม่ใช่อื่นใดผู้ปฏิบัติจะทราบประจักษ์ใจของตนเองในขณะที่จิตได้ผ่านจากความป่องใสนี้ไปแล้วเข้าถึงขั้นอย่างมิมุติความผ่องใสนี้จะไม่ปรากฏตัวเลยะทราบในตรงนี้เป็นเครื่องประจักษ์กับผู้ปฏิบัติและค้านกันมากกว่าค้างกันที่ตรงนี้เพราะความจริงนั้นจะต้องกินอยู่กับหัวใจข อ, ของทุกคนเมื่อใครทราบใครรู้ ก็ต้องพูดได้เต็มปากทีเดียวอในเวลานี้จิตของพวกเรากําลังตกอยู่ในวงล้อมทําให้หวาดให้กลัวให้รักให้ชังให้ทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอาการที่สแสดงออกมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของสมมติเป็นอาการของกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวเราเองเราไม่ได้ใช้พลังของตัวเองคือจิตมีแต่พลังของกิเลสตัณหาสภาวะมันผักมันดันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเมื่อธรรมชาตินี่ก็เป็นของแปลสภาพตลอดเวลายังมายัวย่วยุจิตที่เป็นธรรมชาติตัวเองให้เป็นไปตามอีกด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเลยโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนหาไม่ได้ถ้าไม่ได้ถอดถอนธรรมชาติเหล่านี้ออกจากจิตใจเสียเมื่อไรโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเลยจะหาความทรงตัวอยู่ไม่ได้เลย ต, ต้องอดิบพิกแพงหรือถ่องเอน็เอนนู่นเอ็นนี้ตามสิ่งที่มายัว่วยวน เกี่ยวข้องมากน้อยแต่นั้นท่านจึงสอนให้ชำระจิตไม่มีผู้ใดที่จะยังถึงหลักความจริงได้อย่างแท้จริงต่งพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวที่เรียก ว, วย่ายมผูโดยไม่ต้องไดรับการอบรมสั่งสอนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยในการแก้กิเลส จ, จา ก, ก จ, จิตใจส่วนทางด้านสมาธิทางด้านความสงบนั้นท่านก็ทรงศึกษาอบรมมาบ้างเหมือนกันกับการบทั้งสอง ผมมาปฏิเสธแต่นั้นไม่ใช่ทางที่จะถอดถอนหรถึงความเป็นสัพพัญญูได้เวลาที่จะเป็นสัพพัญญูได้ก็ออกจากสยามภูที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติเองและรู้เองเห็นเองถึงขังน้นแห่งความบริสุทธิ์หมดจดของจิตด้วย่างประจักรพระไทยแล้วจึงได้นํำทำนั้นมาสั่งสอนโลกและเวลานี้อะไรที่เป็นเครื่องหุ่มห่อจิตใจอยู่นั้นจึงหาความบริสุทธิ์ไม่ได้ทั้งๆที่เราต้องการหาความบริสุทธิ์ด้วยกันทุกคน มีอะไรเป็นเครื่องปิดบงังนั้นแล้วไม่มีอะไรถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วก็มีขันห้านี้เป็นที่หนึ่งส่วนถาวายจิตตวิชานั้นยกไว้ก่อนเอาพูดอย่างเด่นเด่นนะคือขันหานี้เป็นที่หนึ่งแล้วที่สองเขรูปเสียงคลื่นลดเครื่องสัมผัสเป็นทางเดินของจิตที่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกาย ไปสู่รูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแล้วก็ไปตีความหมายเป็นความต้องการขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้จากรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแล้วก็เอาอารมณ์นั้นแหละเข้ามาผูกมัดหรือมาหุ้มห่อตัวเองให้หมื่นมิตปิดตาไปด้วยความรักความชังความเบียดความโกรธอะไรเต็มไปหมดซึ่งได้มาจากสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นส่วนที่ฝังอยู่เลิกก็คือขันของเหล่านี้เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา มาตั้งแต่บิดำบรรการใดๆทุกพบทุกฉาตต้องแม้จะเป็นสัตว์ก็ต้องถือว่าเรานี่เป็นร่างของสัตว์เป็นตัวของเราจะเป็นกายทิพย์ก็ร่างกายทิพย์ก็เป็นตัวของเราจะเป็นเป็ดเป็นผีเป็นอะไรก็ตามสสิ่งที่อาศัยอยู่ร่างหยาบร่างละเอียดต้องถือว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ที่พอรู้จักดีจากขั้แล้วก็ยังต้องถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราคือขันห้าอ่ะรูปว่าเป็นเรา เปธนาสัญญาสังขารมิญญาณว่าเป็นเหล่า น, นี่เป็นเป็นสิ่งที่ฝังอยู่อย่างลึกล้ำเพราะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาก็เพื่อจะให้รู้ชัดตามความจริงของมันแล้วถอนความยึดมันม่นถรือมั่นสำคัญตังตนเข้ามาเพื่อความเป็นอิสระนั่นเองไม่ใช่เพื่ออะไรปกติจะพิจารณาเขาทําใหม่อะรูปก็เป็นรูปเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรถเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ดั้งเดิม เขาไม่เอาเป็นค่าศึกอะไรต่อเราเลยไปพิจารณาเขาทำไมการพิจารกก็พิจารณาเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งนั้นตามความจริงของเขาแล้วทราบความรุ่มหลงของตนด้วยการพิจารณานี้นแล้วถอนตัวเข้ามาด้วยความรู้ที่นี่คือออกไปยึดไปถือนั้นด้วยความรุ่มหลงแล้วเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็ถอนเข้ามาด้วยความรู้หมดกังวลกับสิ่งนั้นๆนั่นนี่ท่านเรียกว่าปัญญา ถอนจากนั้นมาแล้วก็มาพิจารณาทางทา่าทางขันทั้งตัวเองอันใดที่เด่นชัดในขันห้านี้เราไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายหรือไม่ต้องไปคาดกันเนวไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาขันห้าโดยทั่วถึงคือทุกขันไปเช่นนี้เราไม่ต้องไปทําความสําคัญขอแต่ว่าขันในเป็นที่เด่นชัดซึ่งควรแกการ พิจนารณาและเหมาะกับจดีนิสัยของเราในขณะนั้นๆแล้วให้เราค้นคว้าพิจารณาในขันนั้นให้ชัดเจนเช่นรู ป, ปรขันในรู ป, ปรขันมีอาการใดที่เป็นที่เด่นในความรู้สึกของเราที่เกิดความตื่นใจอยากจพิจารณามากกว่าอาการอื่นเราจับจุดนั้นเข้าไปกําหนดพิจนารณาให้เห็นตามความจปีนข้องมันทุกขังคืออะไรทำหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขังคือความทนไม่ได้มันไม่สนิทใจเรา ถ้าทุกขั้งคือความบีบบังคับปตลอดเวลานี่แหละเหมาะดังที่ว่าย้ำิดถึงนั้นเรปฏิบัติปีตทุกขังอันนี้ตรงกับคําที่ว่านี้พัฒนาสิ่งใดไม่สหวังเป็นทุกเป็นทุกคืออะไรมันบีบพันตัวเอ ง, เองคือความไม่สบายนั่นแหละพัฒนาสิ่งนั้นไม่ได้ก็ไม่สบายพัฒนาสิ่งใดไม่สมหวังไม่สบายสิ่งที่ได้แล้วแต่พรากจากไปเสียก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อันนี้เข้ากันได้กับคําว่ามันบีบบังคับคือความบีบบังคับนั่นแหละ หรคําทุกข์ที่แบบแปลว่าทนอยู่ไ ม, ไ, ไม่ได้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เขาก็ทนก็เป็นไปตามเรื่องของเขาไปยุ่งของเขาทําไม่ mm. เขาทนไม่ได้ของเขาใจของเราไปยึดไปถือจริงนั้นต่างหาก mm. ต้องมาพิจารณาให้ชัดเจนในเรื่องขันรูปขันอาการใดดูให้มันเห็นชัดเจนถ้ายังไม่ทราบในเรื่องปฏิกูลก็ให้ดูในป่าช้างของเรานี้ให้มันเห็นชัดเจนเยี่ยมป่าช้าเยี่ยมที่นี่เยี่ยมป่าช้านอกเพื่อนนอกระมาสู่ป่าช้านใน ป่าช้านอกคนตายเกลื่อนในครั้งพุทธการมันป่าช้าผีดิบนี่ยคอยจะเผาจะฟังกันเหมือนทุกวันนี้ท่าจนจึงสอนให้พระไปเยี่ยมป่าช้าตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอากาดเต็มไปหมดแล้วเวลาเข้าให้เข้าทางทิศนั่นทิศนี้ท่านก็สอนไปโดยลำดับน่ะัตามความฉลาดแหลมคมของพูที่ชอบผู้เป็นแหลมพูหรือผู้เป็นศาสดราของโลกนั่นแหละให้ไปทางเหนือลมท่านกสอนแล้วเมื่อไปเจอซากศพที่นันเข้นเข้ า, ขามาเข้าไปแล้ว ความรู้สึกเป็นยังไงแล้วไปดูซากศพที่นั้นมีความรู้สึกยังไงแล้วประมวลเข้ามาสู่ตัวเองซึ่งเป็นซากศพอันหนึนงนี่พิจารณาอย่างนี้เมื่อเราได้สักขีพยานจากซากศพในป่าช้าภายนอกอันแล้วน้อมเข้ามาสู่ป่าช้าภายในคือตัวของเราเองเมื่อได้หลักเกณฑ์นี่แล้วการเยี่ยมป่าช้านั้นก็ค่อยจางไปจางไปแล้วมาพิจารณาป่าช้านี่ให้มันเห็นชัดเจนเราชะเราล่างเราอาบเราสูง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับส่วนร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นของสะอาดแม้แต่ของสะอาดนํามานุ่ง ม, มาหม่มมันยังต้องสกรปรกจะต้องไปชาติไปล้างซักฟอกยุ่งไปหมดมที่บ้านเชื้อเหมือนกันต้องเทสต้องถูปาดกวาดมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องทําความสะอาดเพราะมนุษย์สกปรกเขาพิจารณาอย่างนี้แล้วในตัวของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันก็สกปรกแม้แต่าอาหารบวานข้าวติ มีความ อ, าอร่อยสีดสันมั น, น่าเพราะหน้าดูน้าชมรสชาติก็ อ, อร่อยเพราะเข้าไปคั่กขาวกับสิ่งที่สกรปรกอยู่าภายในร่างกายแม้ตั้งแต่น้ำลายเท่านั้นคายออกมาแล้วจะกลับเข้าไปอีกมันก็รู้สึกขยะแขยงเพราะเห็ดไห ล, ลเพราะร่างกายที่มีความสกรปรกอยู่แล้วตามหลักตามหลักธรรมชาติของตนอันใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้จึงกลายเป็นของสกรปรกด้วยกันนี่พิจาณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาป่าช้าพิจนาอธุพะ แล้วกำหนดเข้าไปในหลักธรรมชาติท้องมันเป็นยังไงดูทุกแง่ทุกมุมตามความถนัดใจคือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แล้วมันค่อยซึมซาบไปโดยลําดับับถ้าสติกับความรู้สึกสืบต่อกันอยู่แล้วปัญญาจะต้องก้าวไปทํางานไปโดยลําดับําดับความรู้สึกหรือความทราบซึ้งในการรู้จริงเห็นจริงไปโดยลําดับับนั้นจะทราบซึ้งลงโดยลําดับเป็นความเพลินไปในการพิจารณานี่เรียกว่าปัญญาขั้น เมือ่อพิจารณาในขั้นปฏิกูลนะพิจารณาถึงเรื่องความแปรสภาพของร่างกายนี้คือปฏิกูลก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาช้าผีดิบก็อยู่ในร่างกายนี้ปัาชาผีแห่งผีเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่นหมดออไปเผาในเตาไฟไม่เราไม่ว่าปาัาช้าเตาไฟหรือ ว, ว่าครัวไฟความจริงก็ป่าช้าของศาตร์นั่นแหละแล้วขนเข้ามาเก็บไว้ในที่นี่ในหลุมในบ่อ น, นี่เต็มไปหมดนี่เป็นที่ฝังศพอศพใหม่ศพเก่าจนเกิอนอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดความที่อดเซียนไม่เกิดความ สอดสะเวทใจใจแล้วจะเกิดอะไรเพราะความจริงเป็นหนังนั้นผมวิทยาส um อน right. ให้ถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ปี้ยวเบียวจากความจริงนี้แล้วใครๆก็จะต้องได้ปวดเปื้อความยึดมั่นถือมั่นความต้องกาผิดอันเป็นความโง่เขลาปัญญาของตนออกได้โดยลําดับดับปิดจ้างเราจะมีความสว่างขจาดแท้ฉายแสงมาด้วยความชัดเจนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็ต่าง ก็ไม่ติดเนื้อติดกายไม่ติดกองวัชพัดวัชพังป่าชา้าผีสดผีแห้งอันนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเอาพิจารณาความแปรสภาพของมันมันแปรทุกชิ้นทุกอันทุกสัตว์ทุกส่วน ท, ท, ท, ที่มีบรรดาที่มีอยู่ในร่างการนี้ไม่เวน้น แ, แ, แม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งไม่มีเว้นเลยแปรสภาพเหมือนกันหมดอันไหนที่เป็นเราอันไหนที่เป็นของเราและคําว่าอนัตตากเหมือนกันมันอยู่ในอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนั่นแหละเป็นอนาตาไม่ใช่เรา ท่านตกไว้ตีเข้ามือไว้อย่าไปเอื้อมนะตกไว้ตีไว้อย่าไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเรานะคําว่ารูปังอาตาของอุปมาเหมือนอย่างนั้นเองอย่าเอื้อมอย่าไปยืดถ้าเห็นว่ามันเป็นหน้าตาอยู่แล้วนั่นหลักธรรมชาติมันเป็นหน้าตาไม่เป็นของใครทั้งหมดอาณาตานะอาณาตาไม่เป็นตนไหนก็บอกอยู่แล้วนี่คือการพิจารณาร่างกายออกนั้นกําหนดทำมันสลายลงไปจะสลายลไปแบบไหนก็เอา ตามความถนัดของใจอันนั้นเปลื่ยลงอันนี้เปลื่ยลงอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงกําหนดดูอย่างเทินใจด้วยปัญญาของตนเองอันนั้นขาดลงอันนี้ขาดลงขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปทุกทิศนุกทตั้งกระโหลกศีรษะขาดลงไปคอขาดลงไปกระดูกแต่ละชิ้นอันเมื่อหนังหุ่มมันเปลื่ยลงไปแล้วเนื้อมันเปลื่ยลงไปแล้วเส้นเอ็นมัน ที่มันยึดมันขาดมันเปื่อยลงไปแล้วมันก็ต้องทนไม่ได้ต้องขาดไปขาดไปเพราะมันมีชิ้นติดชิ้นต่อกันอย่างนี้ด้วยเส้นด้เอ็นเท่านั้นพอเส้นเอ็นเปื่อยลงไปอันนี้ต้องขาดลงไปขาดลงไปไปกองอยู่กับพื้นอา้าวกำหนดดูในส่วนเป็นน้ํามันก็กระจายลงไปซึมชาลงไปใต้ในดินด้วยแล้วเป็นไอขึ้นไปบนอากาศด้วยแล้วค่อยแห้งเข้าไปแห้งเข้ไปสิ่งที่แข็งนี่เมื่อแห้งลงไปแล้วก็กลายเป็นดินหนะ ตามเดิมน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟชัดอันใดก็ตามในธาตุสีน้ำลมไฟนี้เป็นที่ประจักษ์ในทางสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราพิจารณาดินชัดแต่อันนั้นไม่ชัดนี่ไม่ชั ด, ไ ม, ชดไม่ต้องว่าเอาให้มันชัดในอันใดหนึ่งก็ตามมันจะทั่วถึงกันหมดเพราะดินน้ำลมไฟเป็นที่เปิดเผย อ, อยู่แล้วในสายตาเราก็เห็นในภายในร่างกายนี้นก็น้ำมันก็มีอยู่แล้วลมก็ลมหายใจก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วนี่ ไฟก็วความอบอุ่นเป็นต้นะมีอยู่แล้วภายในท่างกายพิจารณาลงไปหาชิ้นไหนว่าเป็นเราเป็นของเราหาดูสิ่มันไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมันเป็นสมบัติเดิมของเขาเท่านั้นคือดินน้ําลมไฟเป็นสมบัติเดิมของธาตุอันหนึ่งของเข า, น, ขเขานี่อันหนะ่เนงเพียงเท่านี้จิตของเราก็สงบแน่วลงไปได้เมื่อจิตได้เห็นได้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถอนตัวเข้าไปสู่ความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตนเอง ต่อความกังวลอะไรทั้งหมดนี่เป็นท่านใานการพิจารณาอเมื่อวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาทุกเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เก็บไขยได้ป่วยหรือขณะที่นั่งมากเอางงนั้นแหล ะ, ะนักลบต้องลบในเวลามีค่าศึกไม่มีค่าศึกจะเรียกนักรบได้อย่างไรอะไรเป็นค่าศึกทุกขเวทนาคือค่าศึกเก็บคไายได้ป่วยเกิดที่ตรงไหนนั่นแหละคือค่าศึกเกิดแล้วถ้าเราเป็นนักรบเราจะไปถอยไปหลบไปที่ไหนต้องสู้เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไร ตั้งแต่ก่อนเร า, เ ร, าเริ่มนั่งแยรกมาเห็นเป็นแต่ก่อนเรายังไม่เป็นไข้ ก, ก็เห็นปรากฏทุกเวทนาเกิดขึ้นมานี่เวลาเราเก็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจึงปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนมันไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนถ้าเป็นตัวของเราจริงจิตของเรารู้ตลอดเวลาทุกเวทนาทำไมไม่ปรากฏแล้วทำไมจึงมาปรากฏในขณะนี้ถ้าว่าเป็นเรา้วเวลาเวลาทุกเวทนาดับลงไปทําไมจิตของเราจรึงไม่ดับไปด้วยถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงต้องดับไปด้วยกันและทุกอคติ คือความรู้สึกนี้มีอยู่สามไดทุกคาถานาก็ไม่ก็ควรจะมีอยู่สามนั้นถ้าเป็นอันอันเดียวกันและไม่ควรดับไปนี่เราพิจารณาให้ชัดในแยกดูกายด้วยอณะจะให้าากายเ ก, กิดขึ้นเช่นเจ็บแข้งเจ็บขาปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี้เอากําหนดดูกระดูกอ่ะถ้ามันปวดกระดูเกเจ็บกระดูกมากๆกระดูกนี่หรือเป็นตัวทุกอ่ะถามดูแล้วถามที่ตรงไหนให้จ่อด้วยนะอย่าถามแบบแบบเพ้อเล้อไปต่างๆ ถามด้วยจอเพื่อจะรู้ความจริงกรองดูจิตแนวดูกับความช่องอยู่กับกระดูกชิ้นนั้นท่อนนั้นดูให้ดีว่ากระดูกที่จริงๆริหรือเป็นทุกกาหนดดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อสังเก ต, ตถ้าว่ากระดูกที่เป็นทุกจริงจริงแล้วเวลาทุกดับไปทําไมกระดูกไม่ดับไปด้วยะถ้ามันเป็ น, นเป็นอนวัยวะจริงเมื่อทุกดับไปกระดูกที่ต้องดับไปด้วยไม่ควรจะยังเหลืออยู่แต่นี้เวลา โรคภัยไข้เจ็บหายไปหรือเวลาเราลูกจากที่นั่งภาวนาพราะเกิดความเจ็บปวดมาก น, าามนี้หายไปความทุกขนี้หายไปกระดูกทวายไม่หายไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันนีน่ีแสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับกับกายกายไม่ใช่อันเดียวกันกับเวทนากายกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตนี่ยเวทนากับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างอันต่างกิ่นของเขาแล้วแยกดูให้เห็นทัดเทียนตามความจริงนี้เวทนานั้น มันจะปรากฏเป็นความจริงของมันคนทุกท่านมันขย่นเข้ามายุ่นเข้ามาสู่จิตนเวทนานั้นจะค่อยหดตัวเข้ามาหมดตัวเข้ามาจากความสําคัญของจิตคือจิตเป็นเจ้าตัวการจิตเป็นเจ้าของแล้วก็จะทราบทุกเวทนาในส่วนร่างกายก็ค่อยค่อยยุบย่อค่อยดับไปดับไปร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายมีจริงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกเวทนายังไม่เกิดแม้ทุกเวทนาดับไปแล้วเนื้อหนังเอ็นกระดูกส่วนไหนที่ว่าเป็นทุกที่เราสําคัญว่าเป็นทุกมันก็เป็นความจริงของมันอย่นัมันไม่ได้เป็นถุก เวทนาเป็นเวทนาทุกเป็นทุกใจก็เป็นใจกําหนดให้เห็นชัดเจนตามเป็นสีเวทนาก็ดับพอจริงแล้วก็ดับนี่ประการประการที่สองแม้เวทนาจะไม่ดับก็ตามนี่หมายถึงเวทนาทางกายก็ไม่สามารถที่จะทําความกระทบกระเทือนแก่จิตของเราได้แต่ลงก็เรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสงาา่าผ่าเผยอยู่ในท่ามกลางแห่งทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้ จะเป็นส่วนใดหรือหมดทั้งตัวก็ตามที่ว่าเป็นทุกใจของเราก็ไม่หวาดไม่หวัน่นท่านขึงอะไรทั้งหมดมีความเย็นสบายการพิจารณาทุกเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไรแล้วสติปัญญาเราจะถอยไปไม่ได้มีได้ขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อลูกความจริงไม่ต้องไปตั้งโกฎตั้งเกณฑ์ตั้งความตั้งคำตั้หมายขึ้นว่าให้ทุกเวทนาดับไปด้วยความอยากของตนนั้นจะเป็นเครื่องเสริมทุกเวทนาให้หนักมากขึ้นโดยลําดับ ความจริงก็พิจารณาให้เห็นความจริงขณะนั้นทุกจะดับหรือไม่ดับก็าตามขอให้เราได้ทราบความจริงที่เป็นทุกข์หรือเกิดทุกข์ขึ้นมานด้วยปัญญาของเราเป็นที่พอใจแล้วเรากําหนดที่ตรงนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับนี่ตายมันเกิดขึ้นมาเป็นชั่วการชั่วระยะมันก็จะแตกจะสลายไปที่เรียกว่าดับที่เรียกว่าตายทุกขเวทนามันเกิดร้อยครั้ง พันครั้งวันหนึ่งมันมันก็ดับร้อยครั้งพันครั้งเหมือนกันมันเอาทีหลังท้าวันที่ไหนเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเราให้ทราบความจริงของทุกเวทนาที่เกิดขึ้นอ่าตัวสัญญามันหมายอะไรบ้างตัวสัญญานีนเป็นตัวสำคั ญ, ญามากพอสังขารปรุงแผลบขณะแหละสัญญาจะยืดเอาเลยแล้วหมายนั้นหมายนี้ยุ่งไปหมดมีพวกขอ้อควนพวกยุ่ยแยให้เกิดเรื่องนั้นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกนี้เองพวกสังขารพวกสัญญามันสำคั ญ, ญมันหมายว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเเหรือนั่นเป็นทุกข์ที่ตรงนั้น เจ็บปวดตัวพวงนี้กลัวร้มกลัวตายกลัวอะไรทุกสิ่งทุกอยาก่างกลัวหมดคือพวกนี้เป็นผู้หลอกให้ให้กลัวและวจีก็เลยหวั่นไปตามเลยท่อถอยความเพียรแพ้น่าให้ทราบว่าเวทนามันหมายขึ้นมาพับก็คือความหมายของเวทนาคืออาการอันหนึ่งของขันมันเกิดขึน้นแล้วมันก็หนักสัญญาอนัตตาน่ะมันก็เป็นอนัตต า, าเช่นเดียวกันจะไปถือมันยังไงจะเชื่อมันยังไงนี่มาเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นความผิด กำหนดตามเพาะมันรู้ชัดเจนสังขารเพียงปรุงปรุงแทัแทบแทบขึ้นมาภาจิตใจก็เพิ่มขึ้นมายับยับยักยักยกชั่วขณะเกิดขึ้นขนาดไหนมันก็ดับแต่ขนาดนั้นเข้ามาเราจะเอาสาระแห่งสามลายจากสังขารอันนี้จากสัญญาอนี้วิญญาณก็เพียงยามีอะไรมาสัมผัสมันก็ทราบแล้วมันก็ดับไปดับไปผลสุดท้ายก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับเต็มขันอยู่นี้ ไม่มีอันใดที่จะตั้งทีหลังถาวรพอเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงได้หาชิ้นสาระอะไรไม่ได้เลยในขันอันนี้ในเรื่องปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเมื่อในพิจานาลงขนาดนี้แล้วจิตทําไมจะไม่หดตัวขึ้นมาอย่างเด่นชัดเล่าต้องเด่นความรู้สึกคือจิตนี้ต้องเด่นหดตัวเข้ามาเพราะความเห็นจริงในสิ่ง น, นั้นแล้วจิตก็ย่อมเด่นหากว่าเวทนาจะกล้าสหัสก็สลายลงไปด้วยการพิจารณาเห็นประจักษ์จิต เราก็ปิดแล้วด้วยความจริงถ้าไม่ดับก็ต่างอันต่างจริงเราก็มีความสง่าพาเผยอาจถามอยู่ภาย น, นจิตไม่สะทกสะทานถึงเวลาจะแตกก็แตกไปเถอะไม่มีอะไรสะทกสะท้านแล้วเพราะเรื่องแตกไปนั้นมีล้วนแล้วทั้งเรื่องรูปเรื่องเวทนาทั้งหยาทั้งขานทั้งยานทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องคือไม่ใช่เรื่องผู้รู้ ค, คือใจนี่แตกไม่ใช่ผู้รู้คือใจนี่ตาย มีแต่สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเป็นที่แตกที่ดับที่สลายไปมีความสําคัญมันหมายขอยงเราที่หลอกตัวเองนี้เท่านั้นท้าทำให้เรากลัวถ้าเราจับจุดแห่งความสําคัญนันหมายนี้ว่าเป็นาการทุกขลตาไม่น่าที่เชื่อถือแล้วเรารุ้ด้วยปัญญาของเราแล้วจิตของเราก็ถอยตัวเข้ามาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อความจริงเชื่อปัญญาที่พิจารณานอย่างแหลมคมนี่อันหนึ่งพิจารณานอย่างนี้อา้าว เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วความชำนิทํานานในขันทั้งห้ารู ป, ปรขันจะปล่อยไปก่อนด้วยปัญญาในท่านเริ่มแรกการพิจารณาขันคือรู ป, ปรขันจิตปัญญาจะถึงก่อนคือรู้เท่าทันก่อนปล่อยว่ารูปได้แต่นั้นก็ปล่อยเวทนาได้สัญญาได้สังขารได้ยินญาณได้คือรู้เท่าคุณอย่างไง ร, รู้เท่ากับปล่อยมันก็อันเดียวพอรู้เท่าแล้วมันก็ปล่อยถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็ยุด พอรู้เท่าโดยปัญญาแล้วก็ปล่อยต่อยไปหมดะมองเห็นแต่เพียงจิตก็เพิ่มยับยับยับยับยับับไม่มีอะไรสาระอะไรเลยคิดดีขึ้นมาก็ดับคิดทั่วขึ้นมาก็ดับคิดอะไรอขึ้นมาขึ้นที่ว่าสังขารของจุลแล้วดับด้วยกันทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยมันมีอะไรตั้งอยู่คอจะเป็นสาระแก่สารได้ให้เป็นที่ตายใจได้เลยแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะป้อนเสียงนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆยึดถักดันสิ่งนี้ให้มาหลอกเจ้าของเรื่อยๆนี่ นี่นะท่านบอกว่าพระพัฒมีดังจิตัังพิกเกเวองนี้เองทีดูความที่ท่วงหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสนแต่อาศัยความคักเข้าคงเิเ ล, ลียนี่ความจรนน้ำเนี่ยจอนมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจ า, จากรถจากเครื่องสัมผัสต่างๆจรมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารญญาณที่ความนําขันหมายไปกว่านปอะมาณนี้อย่างนเนี่ยที่ทําให้จิตมันผ่องมันเช่าหมองมเช้าหมองโดยเองอันนี้เอง ในการพิจารณานี้เพื่อจะเบิกสีนี้ออกอเปิดเผยตัวเองขึ้นมาด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าในขณะจิตที่ยังไม่ได้ออกใช้งานใช้การอะไรเช่นเด็ก อ, อ่ อ, อนๆนี่จิตนั่นจับสงบตัวเหมือนกับเป็นผ่องใสจิตเรียกว่าจิตเดิมเป็นจิตผ่องใสจิตเดิมของวัฏจกักรไม่ใช่จิตเดิมของวัตจกักรผ่องใส ทีนี้เวลาเราพิจารณารอบไปโดนดับแล้วมันจะรวมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นเป็นความโปร่งใขึ้นมาภายในใจิตใจแล้วความปสปร่งใสนี่แหละแม้แต่สติปัญญาที่เป็นมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องหลงความโงสยัยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเกิดความแปลกประหลาดเกิดความเท็ดเดจดูเหมือนว่าสง่าผ่าเผย เ, เต็มที่จะไม่สง่าผ่าเผยยังไงก็ราชาแห่งพัฏจักร อ, อืผู้นี้แหละเป็นผู้มีอานาจ เหนือจิตหรือครอบจิตอยู่ในขณะที่จิตไม่มีสติปัญญาจึงบังคับถูถายจิตให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์แล้วจากอำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างไว้มากน้อยแล้วก็มีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องหนุ่มให้ไปเกิดในที่นัน้นๆมื่อเป็นฉะนั้นจริงต้องพิจารณาให้เห็นชัดความป่องใสให้ฟังว่าความป่องใสกับความสมองมันเป็นคู่กันเพราะมันเป็นสมมตินะ ความผ่องใสนี้จะเป็นจุดให้เราทราบได้อย่างชัดเจนเลยว่า น, นี้คือจุดแห่งความผ่องใสงั้นเมื่อมีความเศร้าหมองขึ้นมาตามสภาพของจิตหรือตามขั้นตามภูมิจิตก็จะเพราะจะเศร้าหมองขึ้นมาในจุดที่ว่าผงสัยนี่แหละความผ่องใสกับความเศร้าหมองนี่เป็นคู่เคียงกันคือเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นผู้หลงธรรมชาติที่ผงสัยนี้จึงต้องมีความพวะควรระมัดระวั ง, วงรักษาตลอดเวลากูาอะไรจะมา กระทบกับเพือนจะทําจิตที่ป่องใสนี้ให้เศร้าหมองไปแม้จะเป็นความเศามองอันละเอียดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งไม่ควรนอนใจได้ทั้งนั้นจริต้องพิจารณาด้วยปัญญาเอา้าเพื่อให้ตัดกังวลลงไปความผ่องใสนี้คืออะไรกําหนดลงไปให้รู้เราไม่ต้องกลัวความป่องใสนี้จะทิบหายมาลวงไปแล้วจะล่มจมทิหายไปด้วยการพิจารณากําหนดลงไปให้เห็นทัดเย็นความมองใสนี้ก็เป็นอนิจจ า, าลักษณะทุกขลักษณะอนาตารักษณะเหมือนกันกับสภาพธรรมทัท้งหลาย ส่วนที่เราพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรคลิกกันเลยนอกจากมีความละเอียดต่างกันบ้างเท่านั้นเนี่ยเึงไม่มีไว้อะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมติแล้วปัญญาให้ฟาดปันลงไปกาหนดลงไปตัวที่ตัวจิตนั่นแหละมันอยู่ที่ตัวจิตนั่นเองค ว, ความผ่องใสเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นชัดที่สุดในร่างกายขอล่านี่ก็มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความผ่องใสนี้จงถึงกับให้เกิดความอัศจรรย์ให้เกิดความรักความสงวนอ้อยอิ่มอยู่ภายในนั้นไม่อยากให้อะไรมาแต่ต้อง อจอมกษัตริย์คือวิชานี่เลยนี่แหละท่านเรียกว่าวิชาคือตรงนี้ที่เป็นวิชาแท้ไม่ใช่อะไรเป็นอวิชาแท้อวิชาแท้กับความคาดหมายของเราจะผิดกันมากมายเมื่อเข้ามาถึงอวิชาแท้แล้วเราไม่ทราบอวิชาคืออะไรก็มาติดตรงนี้ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะนําสั่งสอนไม่มีผู้ให้อุบายจะต้องติดอยู่เป็นเวลานานเหมือนกันแต่ถ้ามีผู้ให้อุบายแล้วเช่นนี้เราก็เข้าใจาเพราะเข้าถึงจุดนั้นเราจะไม่ไว้กับ ธรรมชาตินี้เลยต้องพิจารณาเช่นเดียวกับภาวนธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วสภาพนี้จะสลายตัวลงไปโดยไม่คาดไม่ฝันเลยเมื่อธรรมชาตินี้สลายตัวลงไปแล้วสิ่งที่อาจารย์ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ซึ่งอยู่ใต้นั้นถูกอันนี้ปกปิดอำบังแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มตัวทีเดียวนั่นแหละคือเหมือนกับว่าโล ก, กาธาตุวัางไหวยาวิชาสลายตัวลงไปนั่นเหมือนกับว่าโล ก, กาธาตุว่างไห้ก็เพลินอยู่ภายในจ เป็นขนาดจุที่สําคัญมากที่ขาดจากสมมตริระหว่างนิมมุดกับสมมติขาดจากกันเป็นอย่างนั้นีน่ท่านว่าสาเร็จอาราตามักเข้าก้าวเข้าถึงอาราตผล ก, ก็หมายถึงจุดนี้เองขนาดที่อวิชารดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่าอ่มามักสมบูรณ์เต็มที่แล้วก้าวเข้าถึงผลพอธรรมาชาติคืออวิชานี้สลายตัวลงไปโดยหมดปัญหาแล้วก็เป็นผลเต็มที่แล้วก็เป็นนิพานหนึ่งภายในภายในนั้น ขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลงไปนั้นท่านเรียกว่ามร์กับผลก้าพอถึงกันซึ่งเป็นธรรมคู่อยูถ้าว่าเราเดินทางก็เดินมขึ้นบันไดก็ขาหนึ่งเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดเท้าหนึ่งก้าขึ้นบนบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้ก้าเข้าไปทั้งสองเท้าเท่านั้นพอก้าเราถึงบนบ้านทั้งสองเท้าแล้วนั่นแหละถึงผลพอถึงผลพอจิตระหว่างมร์ก กับผลหยุดทํางานกันเท่านั้นท่านเรียกว่า น, นิพานหนึ่งคือเป็นอิสระอย่างเต็มที่แล้วไม่มีกิจอะไรที่แสดงอีกต่อไปในการถอดถอนกิเลสท่า น, นเพียงว่าท่านเรียกว่า น, นิพานหนึ่งแต่ว่าอร Hathapun ก็ได้ท่านสําเร็จอร Hathapun คำว่านิพานหนึ่งก็พวกก็พูด ก, กันได้แต่ไม่จะแยกให้เป็นสมมุติตามหลักธรรมชาติให้ถูกต้องเหมาะสมไม่มีใครแทรกแซงแล้วต้องว่านิพานหนึ่ง ผมจะเหมาะสมดีแนพาพระเจ้าสร่า ง, งมากฝีผลฝีนิพพานนี่การปฏิบัติศา ส, สนาคือปฏิบัติต่จอจิตใจเราเองใครเป็นผู้รับทุกข์รับยากลับ ล, ลำบากเฉนใจทุกวันนี้เป็นผู้จองหาถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาใครถ้าไม่ใช่จิตใครเป็นผู้จองจำจิตถ้าไม่ใช่กิเลสกนา้าสวา่าง แต่ก็ต้องแก้ที่ตัวค่าสิทต่อจิตใจนี้ด้วยปัญญามีปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่สามารถแก้ที่เหลืองได้ทุกประเภทจนกระทั่งสลายตัวลงไปดังที่กล่าวแล้วนี้หมดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเรื่องรูปก็แล้วเวทนาก็แล้วสัญญาสัญาสญาอิมยานเป็นแต่เพียงอาการอาการเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนต่อจิตใจนี้เลยรูปก็รูปเวทนาสัญสญาอารูเสียงดินว่าเครงสัตก็เช่นเดียวกันต่างอันตา่งตางกินต่างอันต่างอยู่ว่ามีก็มีไม่ว่ามีก่มนนีปัญหาอะไร มีเศรษฐกิจเป็นสำคัญทางทหานะขนาดต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริถึงการที่มันจะสลายก็สลายไปแล้วได้พิจารณาแล้วอีกอย่างทุกขังรัตตามไม่ได้หมายถึงขันที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึงอะไรอันนี้จ้างก็คือความแปรสภาพอทุกขังรัตตาก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วยังอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราตายไปแล้วเราจะปไปยึดอะไรเมื่อทราบตามความจริงอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่หวั่นไหวท่านพึงทั้งความเป็นดีนแข่งขันทั้งความสลายตาไปแข็งขันเพราะมันเป็นเรื่องของขันรุนล้ว น, นไม่ใช่เรื่องของจิตจิตเป็นแต่เพียงว่าผู้รู้ในความ ต, ตามอาการที่มันเคลื่อนไหวแตนมาและแตกสลายไปเท่านั้นธรรมชาตินี้ไม่ได้คิดหายแต่ตามธาตุแข็งขันจึงไม่มีอะไรที่จะให้กลัวในเรื่องความตายเรียนให้จบเรื่องความตายถ้าจบเรื่องความตายแล้วก็ไม่กลัวตายยังเป็นอยู่ก็อยู่ไป ถึงเวลาที่ตายก็ตายไปเพราะในกลางหายคือปัญญารอบด้านหมดแล้วล้วจะไปหวันอะไรต่อวันอะกรต่อความจิมันก็หมดสิน่นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเอาละการแสดงทางก็งมาสมควรพอดีเทบก็หมด